คนทั้งโลกมีคำพูดที่ อ, ออกมาจากความเห็นอันเดียวกันคำพูดเป็นเป็นเหมือนกันว่าถ้าชาติหน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทำาทไมถึงพูดอย่างนั้น่อความเข้าใจว่าชาติหน้าไม่มีพบไม่มีนั่นเอง มีแตความผิดหายเต็มหัวใจทั้งๆที่ตัวปิดก็คือตัวพบอยู่แล้วดันั้นมันก็ปิดบงังตัวเองอยู่นั้นให้เกิดความลู้ความเห็นไปบาปทับพบมาพบหน้าชาั้หน้ามีขอให้เป็นอย่างนั้นพูดถือว่าพบหน้าชาั้นหน้านั่นแหละคือตัวพบตัวชาติตัวเกิด ตัวตายมาโดยลำดับธรรมาต่อเมื่อวนๆกับก้าวขาเดินนี่ือนท่านเรียกว่าอะวิชาวิชาแปลว่ารู้แจ้งอะแปลว่าไม่แจ้งรู้แต่ก็รู้อย่างแบบเราทั้งหลายนี่นี่คือว่ารู้คืออะก็ไม่แจ้งตามความจริงคือไม่รู้ตามสิ่งที่เป็นจริงซึ่งมีอยู่ภายในตัวและอื่นๆ เึ่งเป็นความจริงเหมือนกันไม่รู้ในสิ่งนี้ท่านเรียกว่าอาัิฉชาไม่รู้แจ้งเหจริงตามความจริงที่มีอยู่เป็นอรู่ทั้งภายในตัวและสิ่งทั่วๆไปท่านจึงเรียกว่าอาัจฉชามัานปิดบงังแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ให้รู้ทีเดียวเส้นเหมือนกับหัวตออย่างนี้รู้แต่ก็รู้อย่างรอท่านๆนี่เอง ท่นเรียกว่าอาวิชฉาสิ่งที่มีอยู่กับตัวก็ไม่รู้รวิเลศวัตตนมันครอบอเสียจนลืมเมื่อลืมตัวลืมสิ่งที่มีอยู่กับตัวการปฏิบัติธรรมะก็เพื่อจะรู้อถอนสิ่งที่มีอยู่ปิดบังความจริงอย่างนี้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ ทั้งภายนอกภายใ น, นมีวิชาของรพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถเปิดสิ่งที่จอมปลอมทั้งหลายซึ่งปิดบังปิตใจอย่างนิสิดเป็นไม่รู้เมื้อรู้ตัวนี่ให้เปิดเผยออกตามความปริญญาให้รู้ตามความปริญญาก็มีธรรมะของรพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นแล้เครื่องมือก็คือมัคแปดท่านเรียกที่เรียกว่ามัจจิมาปฏิปัฏฐา หนทางสายกลางกลางต่อจุดปุ่งหมายกลางต่อความจริงจึงไม่เป็นธรรมที่ล่าสมัยเป็นสิ่งที่ทันกับเหตุการณ์เส ม, มอไปไม่นั้นท่านก็ม่เรียกประมัติิมมาคือสูงกลางผูดถึงเงื่อความเกิดแกเจ็บตายทัง้งที่ท่านแสดงใวัฒนธรรมติดอยู่ขาชราดติยู่ข า, าท่านแสดงถึงเงื่อนทุกในอยุสัตว์สี่ พอพูดอย่างนี้ก็กระเทือนไปทั่วโลกกระท่าชาติติดดูขาชาลาติดกูขามานําปือขังโศกกับไปเทียวทุกข์ทน้ำทุกไปชาติติขานัาาา้นเต็นอยู่ดในทาตในขันของสัตว์และมุคคลทั่วไปเป็นแต่ว่าสัตว์เขาไม่ทราบนวมส ม, มุดอย่างกว้างขวางละเอียดอ่อนเหมือนอย่างเราสำหรับมนุษย์เราเป็นผู้ทราบในสิ่งเหนี้ได้ดีศาสนา จ, นาจึงควรแก่มนุษย์ ที่จะพปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องของทุกข์เป็นอย่างนี้ในอริยสัจสี่มันแสดงไว้ในธรรมะจกปวัตตนสูตรสมุทัยอริยสัจจังคืออะไรนันทิราคาใจพัตาตะตะตตรายทินานิมีเส้ยที่ดงกามะตัญหาภวัตัญหาวิภวัตันหาแนวสามอย่างนี้เป็นรากใหญ่ เป็นส่วนใหญของพิเรธทั้งหลายกแสดงอยู่ที่จิตใจนี้ไม่ได้สแสดงไปที่ไหนผู้ฟังเมื่อเอาความรู้ตั้งไว้โดยดีแล้วความเราจะทราบความจริงที่ท่านสแสดงนั้นหรอกาสแสดงไปที่ไหนมันเป็นอยู่กับจิตกับร่างกายของเหล่านี้ด้วยกันทั้งนั้นเป็นชาติเป็นดุขาชาติเป็นดุขาเป็นต้นความเกิดเป็นทุกข์กหมายถึงจิตใจผู้รทราบมันเองเป็นทุกข์ไม่ได้หมายถึงว่าร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ สัาการจะไปรูเรื่องรู้ราอะไรนอกจากจิตเป็นผู้รับสร้างให้เท่า น, นั้นความรับสร้างของจิตในขณะเดียวกันก็รับความทุกข์ด้วยชาติจิตวิสาขาคือจิตผู้ละก่อขําเหนือเกิดซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนั่นแหละเป็นผู้ทุกข์แต่ท่านจะแยกมาสิ่ ง, งนี้เป็นทุกข์ให้จิตได้เห็นโทษในสิ่ ง, งนี้ตนจะไม่ได้เป็นทุกข์ไปตามะ ชาลาปิดูขาแม่นำปิุกขังและเกิดก็เป็นทุกข์แต่ชาลาทำพลาดก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์ให้เองโทษของความทุกข์นี้เกิดจะได้ถอนตัวเองนั่นเองไม่ไเพื่ออะไรท่านที่แสดงไว้ในะอะไรอ น, นันตนาตาลักษณะสุขก็เหมือนกันมาสิ่งนั้นเจ็บแทงสิ่งนี้เจยดแทง มันเป็นไปเพื่ออาภายเป็นไปเพื่ออะไรความเป็นไปเพื่ออาภายอะไรที่ผิดปกติก็เสียดแทงเข้ามาที่จิตใจเสียดแทงเข้ามาที่จิตใจจิตใจมันรับเคาะทั้งหมดคอยให้เห็นในสิ่งนั้นด้วยให้เห็นความหลงของตัวนี้ที่ไปเกี่ยวข้ อ, ของหรือไปผูกพนันเผาด้วยเนี่ยัเนเทศไม่ในนี้จากจิตนเทศอยู่ในจิต ล, ล้วนๆอยู่ในข้อที่สามเท่านะั้น นิโรธอนิยสัจนิโรธะอนิยสัจจังหมายถึงแสดงอนิยสัจท่านให้ทําให้แจ้งซึ่งนิโรธคือความดับทุกข์อะไรจะเป็นเครื่อง ท, ทํานิโรธให้แจ้งถ้าไม่ใช่มรักมันเกี่ยวโยงกันไปอย่างนี้มรักอะไรเป็นสาคัญขึ้นสมาธิสัมมาสังโปหมายถึงปัญญาต้องเป็นผู้นําเสมอคนฉลาด ต้องเป็นหัวหน้า ง, งานเอาคนโง่ไปเป็นหัวหน้า ง, งานไม่ได้ทําให้งานแห ล, เลกเลีปป้ยวผลตี้งหมดผลจะได้ทำไม่ค่อยมีแล้วยังทํางานให้เสียไปด้วยอให้เอาคนฉลาดเป็นหัวหน้า ง, งานนี่นมักแปดกับสมมาทิติสามารถสมมาสิงคโปร์หมายถึงปัญญาเป็นผู้นาําำสมมากรรมวาจาสมมากรรมนิจาที่จะชอบไปได้ก็ต้องปัญญาเป็นผู้ควบคุมสมมาสติสมมาสามาธิ ก็เหมือนกันต้องมีปัญญาสมาสติคือจะรลึกชอบลครลึกชอบลึกที่ไหนเนี่ยลึกชอบใครๆก็เศ้าออกควมาชอบคืออี่ยแ ล, แล้วเรลึกที่ไหนถึงจะเรียกว่าชอบเรลึกอยู่ในในสติปัฏฐานสี่นี่กายเวทนาจิตธรรมแน่เเข้ามาอยู่ที่นี่อีกแล้วสัจจะซ่อนสัจจะซ่อนกันลงที่นี่ สมาสมาธิเมื่อรูกชอบแล้วสมาสมาธิก็ลงได้ชอบสงบได้ชอบมันเกี่ยวรู้ดั้นรู้นี่หรอกลงตนเองโดยไม่มีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมนะกะการกรองสิ่งเหล่านั้นว่าผิดหรือถูกมีมัดแปะเหล่านี่แหละที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นกุญแจเปิดพระนิพพานหรือว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งก็ทําด้วยข้ออปฏิบัติ ด้วยสมาทิสิติสัมมาสังโปรจะกระทําสัมมาสมาธินี่อาการแห่งการกระทําทั้งแปดนี้เป็นอาการที่จะทํานิพพานให้แจ้งพลังน น, นิโรอดนิโรอดคือความดับทุกข์มันดับได้ถ้าถ้าดับด้วยวิธีที่ถูกต้องตามที่กล่าวมานี้ทำไมใช่ดับด้วยวิธีนี้แล้วยังไงก็ไม่ดับจะบ่นวันดังคำคืนยังรุ่งก่อนยิ่งเป็นการเพิ่มความทุกข์ความลําบากขึ้นอีก เป็นหาทงงางดวงวางจิตใจไม่ได้ทำมาทั้งหมดสอนลงมาที่ใจใจนี่แหละคือตู้ของกิเลสตู้ของวัตตะวนทั้งหลายอยู่ที่ใจครั้งแห็นกิเลสก็คือใจครั้งแห่งธรรมก็คือใจเมือ่อทายเทศครั้งเห็นกิเลสกิเลสออกหมดอันนี้ก็กลายเป็นครั้งแห่งธรรมขึ้นมาวัตะะะตะก็ยุทธะแน่นอกเนื้อไปจากจิตใจดวงเดียวนี้ ทายเทสสิ่งที่เป็นวัตตาออกที่วัตตก็ปราปลากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นเช่นเดียวาวสฐานที่ที่รคบุงรังล้วถาได้ถากถางต้นไม้บหญ้าออกให้หมดมันก็เตียนโล่งขึ้นมาในสถานที่โรคบุงรังนั่นแหละทจิตเวลานี้มันลรบุงรังด้วย อ, อะไรความโรค ก, ก็อยู่ท่าผมอยู่ที่จิตปกคุมที่จิตความโกรธความหลง พิเรนน้อยใหญ่มันปกคุมที่จิตเท่านั้นไม่ปกคุมที่ไหนเลยไม่ใช่มันไปปกคุมที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายมันปกคุมที่ใจอันนี้เป็นทางเดินของพิเรนไม่ใช่ตัวพิเลนจริงมันปกคุมอยู่ที่นี่ท่านจึงสอนลงที่นี่แล้วจิตใจมีความเปี่ยมเรื่องกับเวลาท่านก็สอนแยกแยกไปเห็นโทษเห็นภัยตามจิตที่ไปเกี่ยวข้องจนพิจารณาเรื่องลูกเสียงเรื่องสีเรื่องรถมันเป็นอะไรมันต้องไปติดไปพันไป เนาะใค่ชอบใจหรือเปลียดทำต่างๆแยกคือนั่นแยกรู้ปิดของตัวเองแหสอนไปข้างนอกก็เพื่อใจใรู้ข้างนอกให้รู้ข้างในสอนข้างในก็ให้รู้ข้างในโดยลําดับธรรมะทั้งหมดจริงๆรวมอยู่ที่ใจสอนอะไรก็เพื่อใจทานั้นเพราะใจเป็นตัวการน้าคัญเรียกว่าจอมหลงก็คือใจที่นี่จอมรู้ก็ต้องใจอีหล่ะจอมปราดก็คือใจเมือ่อทาละสิ่งที่โง่เขา ออกจากหีบใจแล้วความถลาดไม่ต้องบอกเขาเกิดขึ้นมาเองโดยลำหนักลำหน่ะความโง่ออกอย่างซึ่งเชิงก็ความฉนาดก็ปรากฏขึ้นอย่างเป็นตัวเต็มถูมันถึงสอนในพิจารณาที่มีชาติจิตูขาตัวเกิดก็คือตัวกายของเรางูเกิดมาแล้วมันเป็นยังไงมันประกอบความวุ่นวายอะไรกับเราบ้างเราเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งวันทั้งคืน ด, ด, ด, ดีนั่งนอนนี้แต่การเปลี่ยน ที่บรรเทาทุกข์ทั้งนั้นนั่งนานก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนทหาเดินเดินก็เปลี่ยนทหายืนทหารนอนเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นไม่เปลี่ยนไม่ได้อยู่ในยาบทใดบทหนึ่งนานๆนี่มันเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นอิยาบทจึงเป็นเครื่องบรรเทาขันอันนี้ถ้าจะเที่ยวกูมาแล้วก็หมืนกับเอาถ่านเพลิงไว้บนฝ่ามือนะ่ะถ่านเพลิงที่มีไฟอยู่ในนั้นวางไว้บนฝ่ามือเราจะให้มันติดบนฝ่ามือไปเรื่อยๆ มันร้อนเอควางไปหมดไม่ไปหมดทั้งมือน่ะต้องโยนขึ้นบนอากาศคือกว่าจะไปถึงที่ของมันเราต้องโยนขึ้นไปแล้วตกลงมาแล้วโยนขึ้นไปพอบันเทานี้เดินไปเรื่อยโยนไปเรื่อยโยนไปเรื่อ ย, ย, นอยจนกระทั่งถึงที่แล้วสลัดทิ้งความร้อนก็ไม่ค่อยรุนแรงอะไรมากนะพอบรรเทากันได้นะขณะที่โยนผ่านไปออกจากฝ่า ม, มือของเรากว่าจะตกมาอีกก็พอบรนเทาอันนี้นิดๆจนกระทั่งถึงที่พี่สลัดปัดทิ้งนี่อันนี้ก็เหมือนการท่าตันขาอันนี้ี่ย เปลี่ยนยาบททั้งสี่คือยืนก็เหมือนกับวนถ่านไปขึ้นบนอากาศนอเดินนั่งนอนอถ้า น, นอนนานก็เหมือนกับเอาถ่านไฟวางไว้บนฝ่ามือนานๆมันเผาไปหมดหอนนานๆก็เผาตัวเองนั่นแหละให้ร้อนถ้าเกิดความทุกข์ความลาบากภาในร่างกายเืยินนานๆก็ลําบากเดินนานก็ลาบากต้องเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปจนกระาทั่งถึงวันตายนั่นพี่ดูสิวันตายนะ่และวันสัตว์ปัดถึงอื จะตัดทิ้งธาตุขันกองทุกข์ที่มีอยู่ธาตุขันนเราจะพิจารณาอย่างไงเวลามีกิจของเรามันยึดมันถืออันนี้มันไม่ยอมปล่อยยอมวางเลยเองพิจารณาลองเิืพันธ์ ญ, ญามีไว้เพื่ออะไรหมุต้มแจงกินก็ไม่ได้มาไว้สําหรับแก้สิ่งที่งม ง, งายสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราพยายามแก้ลงที่ถึงนี้ เอาธาขันเนี่ยเป็นสนามรบเป็นสิ่งที่พิจารณาทุกเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามไม่เกิดขึ้นก็ตามให้เห็นตามสภาพของความจริงของมันอยู่โดยสม่ำเสมอว่าทุกเกิดขึ้นก็พิจารณาเรื่องทุกออืเราเคพิจารณามาแล้วมันเป็นอย่างไงมันเป็นความจริงอยู่ตะวันดั้งคำคืนดัง้งรุงมิตรตลอดเวลาการพิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันอยู่นั้นเลย ๆ, ๆจนกระทั่งถึงจิตมีความสม่ำเสมอตัว อะไรจะเกิดขึ้นขอรับทราบรับทราบไปตามความจริงเพราะความคล่องแคล่วกล้าของสติปัญญาซึ่งเคยพิจารณาซ้ำซองมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นแต่มันยังตื่นเต้นอยู่ก็ต้องพิจารณาให้มันชัดเป็นลงไปเอาจนแหลกละเอียดไม่ตื่นเต้นแล้วพอพอตัวพอตัวเรื่อยๆไปอืเพียรวิชาแก้ ว, วัตถบุภายในจิจใตใจต้องเรียนอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ วิชานี้เป็นวิชาที่เลิศวิชาที่ประเสริฐแต่เป็นงานที่ทำได้ยากอั้งเรื่องของกรรมฐานเน่ยอย่างที่เขียนไว้ในปฏิปทาของพระกรรมฐานสายทันจันมันมกรรมฐานแปลว่าอะไรแปลว่าฐานที่ตั้งแห่งงานนะกรรมะแปลว่าการกระทําฐานะแปลว่าที่ตั้งคือที่ตั้งแห่งงานเป็นงานที่ชอบแต่งานนี้เป็นงานใหญ่โตมากมายงานรู้วัฏฏสงสารออกภายจิตใจในแก่การพิจารณากรรมฐาน เป็นงานที่หนักอยู่มากงานนี้งานลืน้อคบลื้อฆ่าลือวัตลือวัตตะสงสารลื้อพิเดฒณาออกจากจิตใจของตนให้การเป็นิวัตตะขึ้นมาภายในใจิตใจงเป็นงานที่ทยากต้องหาที่ัทําเลที่เหมาะสมนีม่เป็นสิ่งสําคัญมือหามาได้ที่ไหนก็พิจารณาลงไปไม่ให้เสียความภักเย็นในวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ถ้าได้ที่ทําเลที่เหมาะสมก็ยิ่งเป็นการดีดังพระพรุทธเจ้าสอนภ า, าษาวก เวลาที่บวชแล้ว่ลุกขโมนเส้นาสนังเป็นต้นสอนให้ไปอยู่ตามใจป่าใจเขายุกขโมน ล, ล่มไม้ในถ้ำในเหวที่ไหนก็แล้วแต่ที่เป็นความสะดวกในการบําเพ็ญเพื่อจะแก้กิเลสหรืปกราบตามกิเลสให้อยู่ในเมือมือลืให้มันสิ้นซากไปจากกิจใจการเป็นอยู่ป่วยไม่เลยคํานึงคํานวณมีแต่ว่าการประกอบความภาคเพียรอยู่ในสฐานที่ใดจะเป็นไปเพื่อความสะดวกในการแก้กิลเลสอาสะวะ ไปโดยลำหนักลำหนักสถ า, านที่นั้นเป็นที่เหมาะสมกับผู้ที่รู้สอนที่เลษด้วยกรรมาฐานคืองานอันใหญ่โตนี้พรนะพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมถ้าบวชมาองค์ใดก็ตามอุปท า, านไม่สอนแบบนี้ให้ไม่ถูกผิดทั้งนั้นเมื่อสอนเมื่อบวชแล้วต้องสอนลูกขมูลเส้นนาแสดงเป็นต้นสอนลูกขมูลล่มไม้เจียวตามป่าตางเขาสอนให้บินข้ามบาหหาด้วยกําลังตีแข่งของตน เป็นงานชอบทําอย่างยิ่งยิ่งกว่างานยิ่งกว่าการสแสดงหาสแสดงหาโดยวธิธีอื่นอื่นนท่านก็สอนไว้อยันเตปัตโตนะต่างเลยมีบาดของเธอหรือนี่บาดของเจ้านะนัะ่นท่านบอกไว้เลยทั้งทั้งที่บาทก่อนอยู่ในมือใครก็รู้ยังชี้บอกอีกว่านี่บาดของเจ้านะนีะ่ประทับใจันไปอีกทีบอกทาใหม่ว่าบาทของเจ้านะเนี่ย ก็คือว่านี่คู่ชีวิตของเจ้าน้านั่นเองไบบินทมาลมาฉันหาได้มาแล้วเอาลงไปในบาสนั้นแนะ่ะไม่มีภาชนะใดสําหรับสมณะที่ควรยิ่งกว่าบาสน่ะสอนลงไปตรงนั้นเองบาตเป็นสิ่งที่ควรที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพระสมณะไบบินทมาลก็บาตรลูกนี้อมาฉันก็ลงในบาสนี่นั่นเป็นสิ่งที่ควรเหมาะสมที่สุด ท่านจึงสอน ว, ว่าอาญันเตปัตโตไม่สําคัญอย่างนั้นท่านไม่สอนท่านไม่บอกอืายังสังคาติเนี่ยอายังอุตราสังโกอายังอันตรวาสโกนี่สะบงนี่กีวร น, นี่ผ้าสังคาติท่านนี่บาตนี่ยบอกแล้วให้เอาไปใช้เป็นกิจที่เป็นบริขารหรือเป็นสมบัติที่ชอบทำํำสำหรับพระนี่เป็นสิ่งสําคัญนอกนั้นท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ ใช่สั่งสมนั้นสั่งสมนี่หานั้นหานี่ท่านไม่ใช่ว่าท่านบอกลงในจุดสำคัญคันนี้เป็นที่เหมาะสมที่สุดไปเถิดไปที่ไหนที่นี่ก็คี้บอกสถานที่ไปลูกข ม, มูลล้มไม้ตามทายป่าชาเขาแต่หาอยู่เพื่อความสะดวกสบายในการมุนเป็นชำนาธรรมหนีในข้างคุตกาศสอนสาวกทั้งหลายให้ไปบมเพ็มเพียรเพื่อความแก้วกล้าสามารถ ในทางความเปลี่ยนและทางกติปัญญาเพื่อจะรื้อถอนกิเกลสกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจและฝังจงกันมาเป็นเวลานให้หมดสิ้นไปด้วยวิธีการยุทธวิธีแบบนี้ในสถานที่เช่นนั้นเป็นสถานที่เหมาะสมที่สูจ น, น์สอนแต่วงจีวรของ น, นี้เท่านั้นไม่ต้องมากมากยิ่งกว่านั้นเหพือเพื่อ พ, พลุงมพลังะ มีบาทใบหนึ่เอาไปมีเท่านั้นแหละเป็นภาชนะที่เหมาะสมที่สุดแล้วไปเถิดแหน่ไหนสบายไม่ต้องพลุ่มพลังห่วงหน้าห่วงหลังเตรียมการดู่การกินยุ่งไปหมดแหน่เลยยุ่งแตเริ่มดูเริ่มกินไม่การที่จะยุ่งกับความภาคความเพียรยุ่งกับการค่ากิเลสทำลายกิเลสไม่มีมีแต่ยุ่งกับการสัสมกิเลสไปด้วยการเตรียมนั้นเตรียนมนวุ่นไปหมดมันก็ผิดจากหลักของศาสนาที่สอนมา แล้วคำว่าฆ่ากิเลสมันก็ไม่มีปรากฏมีแต่สั่งสมกิเลศโดยไม่รู้สึกตัวเท่านั้นแล้วที่นี้กิเลสตัวไหนจะหา ย, ยาหน้าไปกิเลสตัวไหนจะตายไปนอกจากแค่แต่ลูกแต่หลานขึ้นมาเต็มหัวใจแพร่ไปหมดกระจายไปทั้งขางนอกขางในเต็มไปหมดทั้งแต่กิเลสมาบำเพ็ญเพื่อแก้กิเลสหรือกล้ามาเป็นผู้สั่งสมกิเลสผิด ก, กับโอวาคัมม์ขงองพระพุทธเจ้าที่ว่ามัชชิมาปฏิปทาผเพื่อให้ตรง ดต่นั้นก็ต้องเดินตามหลักพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไม่มีหลักใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าหลักพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่ว่าพระไว้ว่าคารวาสสอนลงที่หัวใจด้วยการประพฤติปฏิบัติและอุบายที่สอนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนแน่นแต่เป็นอุบายวิธีสอนเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อ ส, สอั่งสมกิเลสเนี่ยถ้าเราปีนเกลียวกับ ถ้าเอาว่าที่สอนนั้นก็เป็นการสังสมเกิดขึ้นโดยไม่รู้สุกตัวเจ้าของม า, มาไม่สั่งสอมไม่สังสมก็าตามก็คือการสังสมอยู่ในห ล, ลักธรรมชาตินั่นแหละอยู่ในป่าก็คิดแต่เรื่องโลกเรื่องสองคานเรื่องวุ่นลรืงว่าไปหมดมันก็อยู่ในปา่าธรรมด า, ามเหมือนกระชอนกระแตมีนี้เกิดประโยชน์อะไรอยู่ในบ้านถ้าที่อาชีพทำกันยังดีกว่าเนี่ยมันสําคัญอยู่ที่ใจคือคิดถูกหรือผิด แการพิจารณาเอาการพิจารณาร่างกายก็เอาเอ า, เอาให้แลกลงไปโดยลําดับดูตั้งแต่ข้างบนลงไปข้างหลังหลังมาข้างบนดูภายในดูภายนอกดูให้ตลอดตรวจถึงมันมีอะไรบ้างอยู่ภายในนี้ที่ท่านว่ากรรมาฐานห้าคืออะไรเพียสาล ม, มารค า, านปตาตโตไปถึงนั้นท่านหยุดเชียเพราะคําว่าหนังหุ่งห่ อ, อไปหมดแล้วในร่างกายคนเรามีหนังดูก็ไม่ได้เลย ไม่ว่าศัตว์ไม่ว่าบุคคลเมื่อผลกหนังออกไปแล้วดูไม่ได้เลยไม่ว่าเป็นห เ, เป็นชายที่ไหนดูไม่ได้มันครอบแล้วท่าทนท่านจึงไม่บอกต่อไปเมื่อขยายไปท่านกว่าอาการสายที่สองเอาให้ดูไปอาการไหนก็ดูไปเถิดเป็นสัจธรรมทั้งนั้นเพื่อจะรู้ถอนกิเลสออกจากตัวเองพริรณาจนมีความทะนิดทรรมนานแล้วดูวันไหนมันก็เป็นความปริ้นไปหมดไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่หวั่นไหว จิตใจก็ปล่อยอุปทานความมั่นถึงมั่นทข้ามาโดยลำหนักลำหนักเนี่ยจะว่าไงเมื่อมันปล่อยวางภาระภาระออกมาด้วยาการพิพจารณาแล้วทําไมจิตจะไม่เบาทําไมจิตจะไม่เย็นไม่สบายจิตจะฟุ้งซ่านไปไหนฟุ้งซ่านกับพุ้งช่านด้วยความหลงเมื่อมันรู้แล้วมันจะฟุ้งซ่านไปทไําไมหากวามฟุ้งช่านไม่มีมันจะสงบตัวไปเรื่อยเย็นสบายอยู่ภายในจิตเนี่ยถ้าพิจารณาตามหลักธรรมพุทธเจ้ามีแต่ เนการถอดถอนความทุกข์ความทรมานพันหาย ใ, ใ, จใจออกทั้งนั้นไม่มีพระอาวาทข้อใดที่จะสั่งสมที่เด็ดให้สรรโลกได้รับความทุกข์ความลำบากเลยจึง เ, เรียกว่าสวดคาถาธรรมจับให้ชอบยิ่งแล้วนิยานิกะทำผู้ปฏิบัติทำนั้นแนจะเป็นเครื่องนําออกจากทุกข์โดยลำหนักๆจนถึงถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงค้นทุกข์ล่ืพ้นที่ไหนอ เวลานี้ทุกอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่หัวใจเราเนี่ยมันมาอยู่ที่ไหนทุกที่กายก็ไปรวมที่หัวใจถ้าใจไม่รอบคอบทุกขที่ตรงไหนอวัยวะส่วนต่างๆที่ปรากฏเป็นความผิดปกติขึ้นมามันก็ต้องไปทุกที่หัวใจเพราะใจเป็นผู้กว้างผู้กอบโวยเอาความทุกข์ที่เกิดจากสถานที่ต่างๆจากอาการต่างๆของร่างกายเข้ามาถุกตัวเองและเป็นไฟเผาตัวเองนั่นแหละทุกไปหมดทุกใจมันทุกละหมาดยิ่งกว่าอะไรทุก มากยิ่งกว่าสิ่งอันใดภายในร่างกายของเราใจมีความทลาดตามที่เราเคยพิจารณาเห็นตามองค์จินมันมาแล้วมันก็ไม่ทุกข์ร่างกายส่วนนั้นมันเป็นก็ทราบมันเป็นมันเป็นทุกข์อ๋อเป็นพุ่งอยางนี้รับทราบกันทุกข์เพราะเห็นนั้นเห็นนั้นก็รับทราบความเสียทุกข์มันจะดับไปก็ดับเราไปปรุงแต่งมัได้ทําไงเรื่องของทุกข์เวลาจะเกิดแเราก็ไม่ปปรุงแต่งให้มันเกิดมันเกิดขึ้นมามันก็เป็นตามธรรมชาติของมัน มันตั้งอยู่กับตามธรรมชาติของมันมันดับไปกับตามเรื่องของมันฮการพิจารณาเราก็ให้รู้ตามความจริงของมันทุกระยะระย ะ, ะ, ยะแเราก็ไม่เสีย อ, อกเสียใจนันจะทนไม่ไหวจริงเหรฮะท น, นมาตั้งแต่วันเกิดจนมาถ่งถึงวันนี้ที่นี้จะทนต่อไปไม่ได้เหรือทนไม่ได้ก็ปล่อยเสียแหน่นั่นแหละเรื่องของปัญญาไม่ฝืนความจริงพอทนได้ก็ทนไปของพระพุทธเจ้าท่าน เรื่งรับสั่งถามภาษาวกว่ะเป็นไงเช่นท่านรับสั่งถามพระกสปะเป็นต้นเป็นไงกสปะขันธมันจกของเธอพออดทนเยหลือน่ะท่านถามความสุขความสบายกันท่านถานอย่นั้นนะขั้นพิการณาเป็นไงขันธมันจงเธอพออดทนอยูดูบ้างเหรือพวกเราวาสมายดีหรือคือถามเรื่องกองคุกมันจะเอาความสบายมาจากไหนเป็นไงสมายดีหรอ ทุกวันนี้ไม่อยากจะถามใครนะถามนั้นมันศืนภารกิจชอบคนเพาะไรเลยเพราะว่าแบบืนว่าเอาเขาไปงั้นแหละทั้งทั้ที่ใจไม่ลงด้วยสบายหรือสบายอะไรกองทุกข์อยู่ภายในร่างกายนะสบายดีหรือภารกิจใจทำร้าได้แค่ไหนแล้วเวลานี้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคหรือได้ผ่านพ้นกองทุกข์ที่มันลุมภายในจิตใจนั้นไปมากน้อยเพียงไหน่ที่เหลือตัวสําคัญสาคัญที่เป็นภัยจากจิตใจนั้นมันได้ตายไปบ้างหรือเปล่าเลนเลนมันดังน้อยเลนเลนมันตายบ้างหรือเปล่าลูกมันตายบ้างหรือเปล่าไม่ต้องพูดถึงพ่อถึงแม่มั่ง ตาบ้างหรือป่าถ้ากูดอย่างนั้นน่าฟังแล้วเรจะกระทั่งถึงเป็นไงปู่ย่าตายายามันตายแล้ว ย, ยัางลูกเหลนหลานไม่ต้องว่าแล้วข้ามันคิดหายไปหมดแล้วปู่ย่าตายายาตัวสําคัญมันได้ข้ามแล้วยัอย่างข้าแล้วเออสวัสดีนะนั่นไม่ต้องถามก่อสวัสดีพระพุทธเจ้าท่านรับสัง่งถามมีพระกัสปะเป็นต้นมาเป็นไงกัสปะ ขันธบันจบของเธอพออดพอทนอยู่เถอะทางนั่นกับพระเจ้าข้าพออดทนกันไปนั่นฟังที่นักปาชญ์ท่านตอบกันอุ้ยนะ่าฟังมากพออดทนกันไปคือว่าพออดทนไปถ้าไม่พออดทนก็ทิ้งเสียเท่านั้นเนี่ยเรื่องมันก็มีเท่านั้นเอ๊ถามความสวัสดีจะให้ถามภายในเไป็นยังไง ส, สมาดีเหนือฮสมาดีเหนือเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงมีหลังมีเกณฑ์ยังไงบ้างหลวงพาว พยายามรักษาตัวบางเปล่าหรือรักษาแต่ภายนอกวุ่นแต่ภายนอกกันหรื อ, ล, อ, อ, อ, รอลืมแล้วหรือตัวสําคัญที่อยู่ภายในจิตนั้นได้รักษาบางหรือเปล่ า, ลลาตัวสาระสำคัญนั่นแหะหรือปล่อยให้กิเลสทับถมเอาเป็นกองมูลฝดมูลแห้งเสมอ อ, อยากให้ดูตรงนั้นว่าสวัสดีเหรอสบายอยู่หรือมันถึงเหมาะสมในการปฏิบัติเราถามความสวัสดีกันถามอย่างนั้นเหมาะสมที่สุดแล้ว เราตั้งใแก้ทุกวันทุกวันนี่ยาแก้ลงไปโอสถังอุตมังวรังอสกัตตวาพุทธะตังโอสถังอุตมังวรังสกตวะธรรมะตังโอสถังอุตมังวรังสกัตตวาสังขารตัณงโอสถังอุตมังวรางถ้าพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นโอสถอืเป็นโอสถอะไรก็แค่ที่เหลือปัญหาอสวะภายในจิตใจของเรานี่เองเนะพุทธคัพแล้วเอาผู้รู้เอาผู้รู้ผู้ฉลาดนี่แหละแก่ ธรรมะจะเด้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจระงับดับโรคความมุ่นวายเป็นหมอดสังฆผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมนันอัศ จ, จรรย์ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันนี่นี่จะเป็นโอโถดแต่ละแตละ่ละอย่างีแต่ละธรรมชาติที่เป็นเครื่องพยุนจิตใจของเราอยู่ที่ไหนอย่าลืมพุทธธรรมะสังฆซึ่งมีความประเสริฐอยู่ภายใจิตใจของเราเนี่ยจิตของเรานี่แหละจะ เป็นภาชนะอันสําคัญสําหรับว่าพุทธะอันแท้จริงจากของผู้ทีเจ้ามาเป็นพุทธะของเราธรรมะอันแท้จริงจากธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะของเราด้วยการชาระได้จากสังฆะของพระสงฆ์สาวกท่านมากลายเป็นสังฆะของเราผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมทั้งหลายมีอยู่ภายใน จ, ใจิตใจด้วยการปฏิบัติชอบของตอนนี่พุท ธ, ธังธรรมังสังฆังฉ น, นังกระฉานอยูถึงที่จุดนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเฝ้าพระธระรมเฝ้าพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในจิตของเราดวงเดียวท่านพูดไว้เป็นเพียงอาการเท่านั้นน่ะเป็นพุโทโธธโมซังโคกาตินาน า, นาหุ่นตามบิวัตุโตพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นถ้ากล่าวโดยอาการแล้วก็เป็นคนละอย่างจริงเนี่ยอัญญามัญญายโยกาวะเอกีปุตัมนาสะโตแต่อาศัยสิ่งกานักันแต่เมื่อพูดโดยธรรม โดยหลักธรรมชาติแล้วเป็นอันเดียวเท่านั้ น, นท่านบอกเป็นอันเดียวก็คือทำทั้งแท่งทำทั้งดวงคือใจดวงเดียวพุทธะอันใดธรรมะอันนั้นธรรมะอันใดสังขะอันนั้นรวมลงในธรรมชาติคือจิตที่โรยสุดดวงเดียวนี้เท่านั้นนี่ท่านบอกความประเสริฐมันอยู่ที่ความรู้อันนี้กอแรแก้สิ่งที่ปลอมๆทั้งหลายที่กดขี่บังคับจนหาคุณค่าราคาไม่น่าพานในจิตใจของเรานั้นออกให้หมดด้วยอุบายสติปัญญาของเรา แก้ลงไปแจ้ลงไปสาระสําคัญจะค่อยปรากฏขึ้นโดยลังเลนะแล้วก็ถึงคําว่าบางอ้อคืออะไรอ้อนี้เหลือดังที่ท่านอาจารย์มัน่นปรากฏขึ้นมาเพราะไปเจอหนองอ้อบางคนเลยเข้าใจว่าเป็นหนองอ้อบึงนั้นบึงนี้จริงๆนะดังนั้นก็มีคําว่าหนองอ้ออ้อนี้เหลือไปเจอหนองอ้ออ้อที่ภายในจิตใจนี่เองอ้ออ้อนี้เหลือถึงแล้วหนองอ้ออ้อนี้เหลือธรรมชาติาที่หาที่แอบล้มชี่ตายนั้นปรากฏแล้วเหรอนี่อยู่ภายในจิตนี้ หมายอันนี้ต่างหากคนเลยไปเที่หาดูน้ององน้องอ้อก็มีนะต่เที่ยวเชียงใหม่ไปดูน้องอ้ อ, อที่ท่านจานทร์มั่นท่านเจอไปจนตายก็ไม่ได้เจออืความต้องการของนคนผิดขนาดนั้นนี่ได้ยินตองหูเจ้าของเองนะเราก็เลยเกิดความตลดสองเรื่องขึ้นมาเหมือนกันที่เขาพูดให้ฟังเขาไปหาน้องอ้ อ, อที่ท่านจันทร์มั่นท่านเจอวนะ่างั้นท่านได้เจอทําอยู่ที่น้อง อ, อ้อตรงนั้นตรงนี้ไปหาที่ไหนก็ไม่เจอว่างั้นเราก็ยิ้มยิ้มนิดนึงสลดสองเรื่อนี่ได้ยินไม่หูตัวเองนะแต่ก็ไม่คุ้ยอะไรให้เขา ถ้าคนที่ควรจะอธิบายให้ฟังมันก็มีอีกอันนี้ไม่ทราบจะอธิบายให้ฟังได้ยังไงขนาดนั้นแล้ว ท, ท, ท่านๆีมีความสนใจก็จริงเราจะพูดว่าน้องอ้อ น, นี้ต่างหากเขาก็ไม่พอจะเกิดความสนใจอะไรมากนะักถ้าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วจะถึงใจทันทีน้องอ้อที่ไหนแล้วว่าคาเดียวนั้นปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อรู้อะไรรู้ที่ไหนท่า น, นั้นก็เข้าใจคนผนะู้ปฏิบัตินี่เราให้พยายามให้เจอน้องอ้อมี่จะน้องวุ่นน้องวายน้องยุ่งไปหมด ทั้งวันทั้งคืนดีห น, หน้อยอ น, น้อยอนหองอันนี้มันหนออะไรถ้าคนให้ล้มตนไปมากมายนอนจมอยู่กับหนองวุ่นหนองไวาะความเดร้อนอยู่นไปเจอหนองออดบึงออดตรงนี้ภายในจิตใจจะเอาให้หมดทำอไรไม่ดีแม่น่าพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องขันห้าย่าปลอยยาวางนี่แหละเป็นตัวค่าสึกสําคัญก็คือขันห้าไม่มีอะไรเป็นค่าสึกยิ่งกว่าขันห้าเป็นข่าสึกต่อเราการพิจารณาขันห้นาคือเรื่องบุกเบิกทางให้ถึงความวัตถุได้อย่าง ไม่มีอะไรสงสัยอืพิจารณาลงไปรูปดังที่เคยสอนแล้วมันจะยังไงกําหนดลงให้เห็นว่ารูปคือความจริงอันไหนเนื้อทนาคือความจริงอันหนึ่งวันนี้มันก็จริงขนาดนี้ก็จริงขณะหน้าก็จริงการใดการใดมันเกิดขึ้นมามันเป็นความจริงมันตลอดสายเราจะไปหลงความจริงของเขาให้เป็นตรอมขึ้นมาวันนั้นเป็นเรานี้เป็นของเราก็พอมีชื่อว่าปัญญาให้ตามความจริงก็ได้เห็นถึงวันั้นเป็นความจริงหนกายา ย, ยาทั้งอิญญาณแต่และอย่างอันหงมันจริงของเขา ปรากฏขึ้นมาขณะแล้วดับไปดับไปโดยที่เขาเองก็มีความหมายต่อเขาแต่อย่างไดเลยม่ได้เราไปให้ความหมายเขาก็หลงของยุ่งไปหมดเห็นต่างความจรินแ้ว น, นั่นก็ปล่อยกันสบายสบายเบิกออกเบิกออ ก, อ, อ, กอะไรที่มาหุ้มห่อจิตใจให้เหลือแต่จิตที่ธรรมชาติมีปัญญาเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงและรักษาจิตใจสลัดออกได้ ขันก็ขันก็ติกอยู่ด้วยกันเขาจะเป็นอะไรไปเขาเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดอยู่แล้วนี่เจะเป็นอะไรไปแล้วเคยอยู่ด้วยความปัวพันถือแต่หนึ่งอันเดียวกันก็มานานทีนี้มาแยกกันได้แล้วต่างอันต่างอยู่ต่างอันต่างจริงแล้วมันก็จะเป็นพิษเป็นพายต่อกันที่ไหนตั้งแต่เป็นพิษเป็นพายต่อกันจริงเรายังถือว่าเราได้เราเป็นของเราแล้วยังถือได้ยังอยู่ด้วยกันมาได้ในรูปให้เห็นตามเป็นจริงของการอาการเสียในอาการต่างๆทั้งห้าน right? ั้น yeah. ก, ก็เป็นกิจเยอด้วยความผู้สุงตนแล้วมันก็อยู่ด้วยกันได้จนกระทั่งถึงมันตายเช่นกันเช่นเดียวกันนั่นแหละนี่ยิ่งหายห่วงหายใหญ่หายหมดปล่อยภาะระได้าโดยประการทั้งปวงสิ้นสุดดิมุตไม่ต้องไปหาที่ไหนเฮอันติดข้องที่ไหนแจ้ที่ติดข้อง ไ, ได้ก็พ้นที่นั่นพ้นที่นั่นพ้นทุกข์ก็พ้นที่ทุกข์ไปอยู่และทุ้งดับไปแล้วกับพ้นไปได้เท่านั้นนี่ หาความพ้นทุกข์คนที่นี่งอาลักษการแสดงธรรมก็มเห็นมาสมเกีรติคติธรน